ทาใาเดียวเปี่ยนโทรศัพส์มือถือเอก่อนเพราว่าสัญญาณมันรับกลวงสัญญาณงที่ีอย่างแค่สองนี้ครับในเรื่อยเท่านนะสัญญาณมชนกันคนท้องบ้านก็ฟังไม้เรื่องคนท้อง้านเขาติดการถช้โทอศัพเพาะ่าสัญญาณโทรศัพท์ของยาเดียวเป็ ทนขับเสียงสัญญาณเสียงแสดงทางมือถือช่วยปิดปิดสัญญาอย่าใช้โทรศัพท์มือถือเรานี่เดี๋ยวรับกกงนี่เด JA voilà ี๋ยวเสียงมาดังขึ้นมี้ะไปปฏิบัติธรรมไม โยงไปที่ภูหลงคุ้มค่ะใกล้ๆกับวัดูเจ้าก้อเี่ยค่ะม้าซาะรท่านอาจารย์พลค่ะมีเสียง่ผล่าใช่ค่ะเราะที่ภูเจ้าก้อท่านท่านไม่ได้เทศนะคะแต่ว่าอาจารย์พลนี่ท่านจะเทศกระสอนทุกวันท่านสามารถเป็นานาาาว น่าจะ อ, อายุประมาณ60ค่ไคีส่สิบ า, าประมาณประมาณภาษาอัาาากาษาอังกฤษภาษาดีจะต่างจะทั้พูดภาษากลางได้ด้วยค่ะ ท, ทุกวันทุกวันนะคือแบบเทศแบบคุยอะไรอย่างเงี้ยจะต่าง ใครชาวบ้านที่เขามาทำบุญอะไรค่ะตอนเช้าก่อ น, น<า>ก่อนฉันจังหารแล้วก็หลังจบฉันจังหารแล้วเลยมีท่ามีอะไรเยอะไหมค้ก็ในคำสาน่า จ, จะประมาณเกือบยี่สค่ะห<า>ันฯค่ะค่อนข้างเยอะวัดโพธิ์นะ เ, เ, เป็นอยู่บนเขาใช่ไหะก็จริงไปค่อนข้างลำบากแต่ ระยะหลังๆนี้ก็สะดวกขึ้นค่ะแบบยกขึ้นไปได้ถึงถึงบนศาลาข้างบนก็ค่ ะ, อะของในตัวเมืองก็บางบางที่เยอะแต่ส่วนมากมันจะเป็นพลานหินค่ะออน่าร้อนก็ร้อนนาหนาวก็หนาวแล้วลงลมก็แรงก็ค่ ะ, ะแล้วที่พักของคาราวาสก็ก็มีค่ะของพวกโยม ก็มีเป็นหลังๆอะไรอยงนี้ใ่ะมมีมิยมที่เขาอยู่ประจำก็มีได้นั่นก็ค่อนข้างจะสะดวถ้าเราจะไปพักเลย่ดงเ้ยมีไรหลังมีหลังเดียวมีมีหลังเดียวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ขอไปพักได้า้กัม้องมีกิจกรรมเข้ามาเลยแล้วก็แล้วแต่แต่เราค่ะจะไปช่วยที่โรงยาบได้ไม่ไายก็ได้ค่ะไปค่ะ ยังก็ยังไปได้ไม่ได้มากเพราต้องดูแลทุกอย่าจะไปทังนล้าข้าววันอะไรอย่างเง้แต่คือใจมันก็อยากจะไปอยู่นานๆแต่คุณมันก็เป็นห่วงที่บ้านอะไรเงี้ยคุณแม่ที่เป็นคนยายของเอ่ยเกิดขาดเป็นเอายุเก้าสิบกว่าอายุเอาคุณย่าก็นังเสียไปแล้วเสียตอนอายุร้อยสองอันนี้เป็นเป็นคุณแม่ของโยน ก็อายุ96แล้วค่ะนล่ก็ก็ต้องมีคนอยู่เป็นเพื่อนคือยังรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มองดูหลายๆคนต้องมีภาระที่ต้องที่ต้องดูแลอะรนะคอก่อมีพ่อมีแม่ถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้า้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถาถ้าถ้าถ้ค้าถ้าถ้าถ้นถ้าถ้าถาถ้าถ้าถ้าถ้า้าถ้าถ้าถ้าถ้า้าถาา เจ้าอกว่าเวลาความที่ว่ามีเวลาให้นี้ปฏิบัติรกันแันนี้วมวันจะม่มีเวลาให้ปฏิบัติาอาจจะต้องดูแลคนนั้นคนนี้หรือตัวเองเด็กข้า่ง่วยทำใเวลาปฏิบัตินจะเลี่ปฏิบัติตกรการปฏิบัติเป็นวิธีที่จะทาให้เรา ได้พัฒนาจิตใจให้ธรระได้ที่เพิได้หลุดพ้นต้องเกิดจากการปฏิบัติการทางเท็จการทางอย่างเดียวไม่พอการทางทางเพื่อให้รู้จักวิธีปฏิบัติเราถ้าได้ออกไปปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยก็เหมือนับไม่ได้เรียนรือไม่เรียนก็เหมนกั ฟังเทศฟังธรรมอากฟังไม่ฟังก็เหมือนกันถ้าฟังแล้วไม่ปฏิบัติถ้าไม่ฟังก็ไม่ปฏิบัติแล้วก็เท่ากันถ้าจะปฏิบัติก็ต้องฟังเทศฟังธรรก่อนต้องเรียนก่อนเพรถ้าไม่ฟังเทศฟังทรงมไม่เรียนหก็ไม่รู้จักทางก็จะหลงทางได้ปฏิบัติโดยมเรียนก็ไม่ถูก ปฏิบัติการเรียนแล้วไมปฏิบัติก็ไม่ต้องเรียนแล้วก็ปฏิบัติปฏิเวคคือผลของการปฏิบัติจะเกิดขึ้นเรียนเพื่ให้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเม่อรู้จักวิธีที่ถูกต้องแล้วปฏิบัติผลก็จะเกิดขึ้นอย่างถูกต้องสิ่งที่เราต้องการก็จะเกิดขึ้นถ้าปฏิบัติถ้าเรียนโดยที่ไม่ได้เรียนแล้วปฏิบัติ คนที่เ่าต้องการก็จะไม่เกิดไจะเกิดผลเสียขึ้นมาแทนที่จะเป็นดีที่ถ้าว่าคนปฏิบัติแล้วเป็นบ้าส่วนเลงก็มีเหตุเพราะว่าไม่ได้เลนไม่ได้ศึกษาปฏิบัติไปทางความร้ความรู้สึกลมสเพียบสมโตนนังเานั่งก็นั่งแบบไม่มีสติควบคุมใจนังแล้วก็ปล่อยให้อะไรโผล่ขึ้นมาในใจแล้วก็ แต่ว่าเป็นนู่นเป็นนี่ไปคนก็ว่าเป็นเทวดาบางคนก็ว่าผีมีเจ้าผีอะไรมาเข้ามาสือกเข้ามโซงนี่ฏิบัติแบบไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนาไม่สามเดืที่เข้าจ้าเข้าโซ่ทั้ก็ไปเรียนบรรยกบอก่าไม่ได้เรียนจากข้าพระศาสนาเราะเข้าพระศาสนาไม่ได้สอนให้เข้าเจ้าทข้าโซ่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 ก็ไปคิดว่าเป็นเทเวดาเป็นเข้ามาหาคงเป็นอะไรเข้าไร่อันนี้ไม่ใช่วิธีการปฏิบัติเพื่อลดทอนจากความทุกข์วปฏิบัติเพื่อลดขต้องจากความทุกขกก์ต้องทำใจให้สงบใจสงบแล้วมีความสุขไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นใจที่สงบ ก, ก็จะไม่ทุกข์ คนจะตายคนเหนื่จะตายนเ่นเเป็นอะไรเหื่อยเขาจดเราว่าถ้าใจสงบร่างกาจะไม่เดดร้อนเฉยเฉไม่ไมเบีดขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงนี่คือเ้าหมาของศาสตร์สมุการปฏิ บ, บัติของศาสตร์สมาปฏิ บ, บัติเพื่อให้ดับความทุกข์ใจ ใจทุกขก็ใจคิดคิดถึงคนนั่คิดถึงคนนั่ก็ห่วงมาคิดถึงคุณแม่ก็ห่วงเลยตอนนี้พี่แม่อยู่บ้านอยู่ตอนนี้เรคิดถึงพแม่ขึ้นมาก็ห่วงนะจะมีอะไรจะเกิดขึ้นกับพี่แม่หรือเป่าถ้ามันเกิดมันก็เกิดเราจะคิดไม่คิดมันก็มันก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ในตอนนี้แมาจะ หยุดหายใจเราจะไปทาอะไ ร, รอยู่ตรงนี้ขออนนเขาอยู่ตรงนั้นเขา อ, อยุดหาออยใจเราไปทำใ ห, ห้เขาหายใจกับขึ้นบนได้หว่าห้ามไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ไม่คิดเป็นทาที่จะทให้ใจเราไม่ทุกข์กันนี่ว่าเกิดแล้วก็ต้องตายเนที่อย่างนี้แล้วเร า, เราไม่ทุกข์ เวลาคนตายเราจะรู้สึกเฉย ๆ, ๆ, ๆแต่ถ้าเราที่มาเกนดมาแล้วต้องไม่ตายเดี๋ยวพอใครตายเนี่ยทุกข์กันใหญ่นะเราถึงสอนีห้เราคิดถ้าจะคิดให้คิดไปในทางที่จะทําให้เราไม่คิกข์เ่เกิดมาแล้วต้องแก่เป็นธรรมดาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาต้องตายไปเป็นธรรมดาต้องพัดพลาจากกันเป็นธรรมดา ไม่คิดแบบนี้แล้วใจจะไม่ทุกข์เวลาเวลาเจอความแก่ก็จะไม่ทุกข์เวลาเจอความเจ็บไข้ได้ป่วดก็จะไม่ทุกข์เวลาเจอความตายก็จะไม่ทุกข์เวลาเจอการทัดท่าจากสังคมก็จะไม่ทุกข์รู้อยู่แล้วว่ามันต้องเกิดอะไรเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ทำใจได้ แต่ถ้าไม่คิดคิดว่าจะต้องอยู่ไปเ น, นื่องๆเนื่องๆไม่มีควมจากกันนะพอกันิดเราขึ้นมาเหามือนวุ่นวายกันเลยตกใจกันเราทำ ท, าทาา่าโรงพยาบาลนี่เกิดร้อนกันอย่างนี้นพอไม่คิดไว้ตัดที่อยากจะให้เขาอยู่อย่างเดียวชอบคิดอย่างนี้อยากให้เขาอยู่ไปนานๆอยากให้เขาไม่เส็บอมชไม่เสื่อมหรอเราก็เหมือนกันเราก็อยากจะอยู่ไปนานๆ อยากให้ไม่เจ็บไข้ได้ปวดพอเจ็บท้องขึ้นมาเจ็บศรีศรษะขึ้นมาไปหาหมอก็ตอบใจนะหมอมาต้องตรวจดวยเวลารอรอผลก็ร้ระวนกรวายกินไม่ได้นอนได้หลอบถ้าไปเจอผลไม่ดีหมีมะเร็งอยู่ในสมองมีมะเร็งอยู่ในลำใส้ทีนี้ก็ินทุใหย่ แต่ถ้าคิดว่าเกิดมาแล้วต้องเจ็บให้ได้ควรจะธรรมดาแล้วเดี๋ยวมันต้องตายไปเป็นธรรมดามันก็จะทําใจได้เพรามันคิดอยู่เรื่อยๆต้องคิดอยู่บ่อยๆคิดจะทำให้มันทําใจได้คิดจะ ม, จดดมันยอมรับได้ไม่ต้องปวกต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาอนนี้ ถ้าจะคิดให้คิดแบบนี้ถ้าไปคิดวา่าอย่าให้อยู่กันไปนางๆอยากให้ไม่เจ็บค้ายได้เจ็บอยากให้มีแต่ควาสุขคิ ด, ดี๋ยวนี้ก็จะทุกไปเ่าๆเพราะจะกังวลเวลาไม่เห็นหน้าเห็นตากันก็ตกใจกัวงวลใจเป็นอะไรไปหรือเปล่าเคย ไาพบกันทุกวันพอนี้ไม่ได้พบกันตกใจนะเป็นอะไรไปหรือเปล่านี่คือใจของเราชอบคิดไปในทางที่ทำให้เราทุกขนเราจึงต้องมาควบคุมความคิดให้ได้ตอนตอน้องก็หยุดคิดกันอย่าให้มันคิดอะไรเพราะคาคิดของเราส่วนใหญ่มันคิดไปในทางที่จะทำให้เราไม่สบายใจกัน ถ้าพอเราหยุดคิดได้ใจเราก็มีความสมุบมีความสมุขสบายใจไม่ต้องนดนแม่ห่วงใยเพราะตอนนั้นไม่ไดคิดถึงใคะไม่โลภไม่อยากได้อะไรถ้าคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็ห่วงใยงเขาลุกตกกังวลคิดถึงข้าวของเงินทองก็อยากจะได้ คิดถงเสื้อผ้าคิดถึงขงนมนมเนยก็อยากจะซื้ออยากจะ ก, กินกันพออยากแล้วก็อยู่ไม่เป็นสุอยู่เฉยเฉไม่ได้ต้องไปทาตามความอยากถจะหายจากความหนื่อ ย, อยลังใจแลวพอได้มาแล้วก็ไม่พอก็ อ, อยากได้น่ยไม่ใช่ลอดให้เราไปหามาเรื่อย เวลาไม่มีปัญญาหาก็เดือดร้อนไม่มีเงินไปซื้อของที่อยากจะซื้อก็ไม่สบาใจนะก็ต้องไปหาเงินหาของไปทํางานทําการไปทุกข์กับการหาเงินหาทองกันถ้าปล่อยให้ใจคิดแล้วมันจะพาเราทุ่งไปในทางความโลภความอยากเดินพางในทา ง, ทางความวิโสทังง้งวั เรืเ่อพาไปทางเศร้าโศกเสียใจจะสูญเสยียสิ่งที่เราได้มาไปทั้งๆ ท, ที่รู้อยู่ว่าตาไปก็อะไรไปไม่ได้ทุกวันมันก็ต้องตาจากทุกสิ่งที่อยางไปแต่ไม่พร้อมไม่อยากให้มันแจกกความคิดมันจะพาให้เราที่รู้เราอยากได้อะไรมาเท่าไหร่ก็ไม่พอ ได้ไหมได้มาทั้งตั้งแต่เกิดมานี่ได้อะไรมามากมาบ้างครับมากน้อยเท่าไหร่เจอคําว่าพอไหมยังพออเนี่ยตัวสองตัวเนี่ยกอไก่ถึงพอแล้วพูดเนี่ยเคยเจอตัวพอกับตัวออหมไม่เคยเจอเจอแต่ตัวออยาอยออากอกันเจอแต่ยากกัน อยากได้โน้ตอยากได้เนี่ยอยากมีโน้ตอยามีเนี่กันอยากคนทั้งวันทั้งคืนเตยเช่นนั้นก็อยากนะเราไม่เตยนั้นเราบอกพอบ้ลยวันนี้พอแล้วไม่อยากได้ไรอะไรนะอยู่เฉยๆก็มีทางสุขใจนี่มันพอได้ถ้าเรารู้จักทําให้มันพอแต่เราประชอบทําให้มันอยากท่านี้ทําให้มันพอเรากลับไปทําให้มันอยาก วิธีทาให้มันอยากก็ให้มันคิดอนู่มันคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวมันก็อยากขึ้นมาถ้าอยาให้มันพอก็หยุดคิดไปพอหยุดคิดแล้วมันก็พอมันจะเอียนขึ้นมา ท, าทันทีมันจะสดมันจะสบายมันจะไม่อยากได้เนี่ยคือความสด ข, ของเราอยู่ที่ความพออยู่ที่ความหยุดคิด พอใจเราหยุดคิดแล้วใจเราจะพอขึ้นพอใจเราคิดปั๊บก็จะอยากขึ้นมาทันทีอยากแม่นั่งอยากมีนี่อยากไปน่นอยากมานี่อยู่บ้านก็อยากจะมาที่นี่พอมาที่นี่แล้วเดี๋ยวก็อยากจะกลับบ้านนะมาก็อยู่ได้แต่ <c oughs> ไดนะ้มาแล้วก็อยู่ด้วยกันนานๆ <c oughs> พออยู่ปั๊มาเยวเดียวเดี๋ยวก็อยากกลับบ้านเลย พอกลับมาแล้วก็อยากออกจากบ้านเอเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ออกเลยนะพอมันคิดแล้วมันก็อยากไปไงแต่ถ้าอยู่บ้านนั้นนั่งพุดโธพูดโทพูดโธแล้วอยากไปคิดอะไรมันก็ไม่ออกไปไหนพุดพูดโธ้เนี่มันจะข่มใจไม่ให้คิดได้พอมันไม่คิดมันก็ไม่รู้จะไปไหนมันไม่มีใครมาชวนเไยไอ้ตัวที่มาชวนก็คือความคิดเราเองชวนตัวเองไปนั่นดีไหมไปนี่ดีไหม ไปช็อปปิ้งอะไนีไม่เสนะไปซื้อไอ้นุ่มดีไนมะ่ซื้อนี่นดีเราก็จะชวนคิดไปเรื่อยๆไอ้เราพอมันชวนก็เลยต้องไปเพราะเราไม่มีความพอในตัวเราเพราเราไม่รู้ว่าความพออยู่ตรงไห น, นไม่เคยคิดถึงคําว่าพอเลยท่นะแต่เกิดนะมานี่เคยคิดเลยว่าเมื่อไหร่จะพอสักทีไปถามตัวเองว่าเมื่อไหร่มีจะพอสักทีวะ เห็นมีแต่อยากอยู่ได้ทุกวันทุกเวลาพอไม่เป็นหยุดไม่เป็นกันเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นองค์คนแรกที่ค้นพบคาว่าพอกัเาเรียกเมืองพอเมืองพอก็คือนิพพานนี่นิพพานนี่เป็นที่ไม่มีความหิวไม่มีความอยากไม่มีความต้องการอะไรมีแต่บรมมาสุขปรามังสุขขังนิพพานังปรามังสุขขัง คาว่าสุกถังก็คือสุกจนถ้าสุขจนไม่รู้อยากจนไม่อยากได้อะไร้วสุกเต็มที่สุกเต็มเปลี่ยนภายในหัวใจได้อะไรมาเพิ่มก็ได้อะไรมาก็ไม่ได้ทำให้มันสุกมากไปาหนถ้าเป็นหมืนแก้วน้ำก็น้ำมันเติมแก้วจะเทน้ำเข้าไปเท่าไหร่มันจะล้นออกมาหมดมันจะไม่ได้มากไปกว่านี้ ใจที่คองมันจะเป็นอย่างนี้มันจะรู้สึกเหมือนกับน้ําที่เติมแก้วมันจะไม่อยากจะเทอะไรเข้าไปในแก้วเลยเพราะเทไปมันก็ล้นออกมาไม่ได้มีอะไรมากขึ้นไปกว่านี้นแล้วเหนืยไปทำามกลับไปเอามุ่งตอานี้เมื่อใจมันคอแล้วมันไม่ไปขวนขวายหาอะไรก็อยู่เฉยๆสบายนี่แะคือความสุขที่แท้จริง ความหยุดพ้นจากความทุกข์กุดตรงนี้หยุดตรงที่ใจเราพอหยุดตรงที่ใจเราหยุดคิดกันหยุดความอยากกันถ้าไม่มีความอยากแล้วมันก็ความพอมันก็โผล่ขึ้นมาเองมันเป็นเปนเหมือนสองด้านกันถ้ามีความอยากมันก็ไม่พอเนีย่ยถ้ามันมีความพอมันก็ไม่อยากทนะี่มันเหมือนเหรียญเนี่ยมีหัวกับก้อย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 ว่าถ้ามันคิดแล้วมันไม่ขอพอมันคิดแล้วมันก็เห็นช่องทางนะมีเงินเอาไปทํานู่นทานี่เดี๋ยวก็ได้เงินข้ามขึ้นมะ็อยากไปเรื่อยๆแล้วเวลาอยากมันก็อยู่ไม่เป็นสุขใช่ไหมอยู่เฉยๆไม่ได้คนที่มีทางสุขจริงๆถ้ามันคนที่อยู่เฉยๆได้ไม่ต้องทาอะไรไม่ต้องไปไหนไมาไหนไม่ต้องมีอะไรให้ดูไม่ต้องมีเวลาให้ฟัง ไม่ต้องมีอะไรให้ดืไม่รับประทานไม่ต้องมีคนนั่นคนนี้มาเป็นเพื่อนแก้งเหงาแล้วคนที่พอแล้วไม่มีทางเหราความอยากเนี่ยทําให้รังเหงเว ล, ลาเราอยู่คนเดียวมันจะอยากมีเพื่อนขึ้นมาเองมันก็จะรู้สึกเหงา อ, อยากจะมีอะไรทำํำพอไม่มีอะไรทําก็รู้สึกเหงาขึ้นมา ถ้อยู่คนเดียวก็นั่งพุโทโธพุโทโธหนลับตาพุโทโธพุโทโธไปทำใจให้มันหยุดคิดแล้วมันจะพองแล้วมันจะไม่เหงามันจะไม่อยากได้อะไรอยู่คนเดียวได้อย่างสบายการได้ะไระยมาแทนที่จะเป็นความสุขก็เป็นความทุกข์ขึ้น ไ, ได้มาก็ดีใจเดียวเดียวเดี๋ยวอยู่ด้วยกันนานๆก็เบื่อที่หน้ากัน เดี๋ยวก็ทะเลาะ ก, กันมีคาวามคิดไม่ตรงกันมีคาวามอยากไม่เสมือนกันเดี๋ยว ก, ก็ทะเลาะ ก, กันคนหนึ่อยากจะนอนคนอยากจะดูทีวีคนหนึ่อยากจะไปเที่ยวข้างนอกคนหนึ่อยากจะอยู่ที่บ้านเดี๋ยวก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ความสุขที่เคยได้จากการอยู่ด้วยกันก็การเป็นความทุกข์ขึ้นมันได้อะไรมาไม่ช้าก็เลยมันจะมันยากายเป็นความทุกข์ขึ้น เวลาได้อะไรมาใหม่นก็เป็นความสุขกันแต่งงานใหม่อนี่สุขมากแล้วพออยู่ไปสักพักหนึงความสุขนั้นหายไปมีแต่เรื่องทะเลาะกันมีแต่เรื่องมีความเห็นไม่ตรงกันมีความอยากไม่เหมือนกันงานของพวกเราก็คือเราไม่รู้จักทำใจให้เราพอให้อยู่เฉยๆไม่ต้องมีอะไร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 ท่านกินหนึ่งแบบกินยาถึงเวลาก็กินถึงเวลาก็หนึ่งแต่พวกเรานี่มันกินด้วยความอยากกินด้วยความไม่พอกินพอกินอิงแล้วก็ยังดันเผลกินเข้าไปกินมากจนกระทั่งร่างกายนี้มันพองขึ้นมานะร่างกายคนเราธรรมดามันไม่พองเะยแต่ความอยากเนี่ยมันทําให้ร่างกายพองเป็นลูกโป่ง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 คือการฟังเทศจฟังธรรมเราจะได้เรียนรู้ว่าปัญหาของพวกเราอยู่ตรงัหนเป็นปัญหาของพวกเราก็อยู่ตรงที่ไม่มีความพอและความไม่รู้ว่าทาให้พออย่างไรกลับไปหลงคิดว่ายิ่งมีมากยิ่งจะพอในชะ่ไหอตอนนี้อยากได้นู่นอยากได้นี่ก็ไปหามาหามาได้แล้วที่มันจะพอเนะี่ยกลับไม่พอกลับเ้นจะได้เพิ่มมากขึ้นไป ได้คือก็อยากจะเอาสอบว่สิได้สอบก็อยากจะเอาหวานตอนตันนี้ได้รับหมื่นึงก็ดีใจนะตอนไม่หนึ่เด็อๆนี่ได้วันละกีต่ตังค์ไปโรงเรียนไโรงเรียนตอนนั้นเรานี่ได้วันละสิบบาทก็เยอะนะแล้วพอโตขึ้นมาทำงานได้เดือนละพันเดือนละหมืนม่นพอไหเไม่พอเลย พอ ter, มีเงินมันก็มันก็มีความอยากจะซื้ออยากจะใช้เงินยิ่งใหญ่มากที่นี่เงินห ม, มืม่นระซื้อของราคาระดับหมื่นแต่พอมีเงินแสนก็ไปซื้อของระดาบราคาระดับแสนของเงินเดียวกันอย่างเดียวกันเนสะื้อผ้าเคยซื้อใช้ใช้ระดับหมื่นก็ทําไปซื้อเสื้อผ้าระดับแสนรถระดับหมื่ก็ต้องไปเป็นรถระดับแสนขึ้นไปถ้ามีมากมันก็จะใช้มาก มันก็ใช้ของมันเดียวกันอย่างเดียวกันลดเหมือนก็ลดเหมือนกันสี่ก็พาเราไปไหนมาไหนได้เหมือนกันคอามต้อมีเงินน้อยก็ซื้อลอตราคาน o w ความมีเงินมากก็ซื้อลอตราคามากขึ้นไ ป, ไปแล้วมันต่างกันตรงไหนมันก็ไปถึงที่เดียวกันแล้วมีเท่าไหร่ก็ไม่พอมีเงนินเท่าไหร่ก็จงไม่พอความมีของให้ซื้ออยู่ยเรื่อย มีเงินมีเงินล้านก็ซื้อบ้านระดับร้านระดับล้านมีเงินร้อยล้านก็ซื้อบ้านระดับร้อยล้านที่ความอยากมันไม่มีนงอยพอแล้วมันไม่ทําให้เราสุขยิ่งมีมากก็ยิ่งต้องกังวลมากต้องดูแลข้าของมากในสมบัติมากก็ต้องห่วงใ ย, ยมากกังวลมากหาความสงบหาความสุขไม่ได้ เราะนั้นเราตงาหยุดความคิดกันหยุดความคิดแล้วก็จะหยุดความอยากได้หยุดความอยากได้ก็จะทําทําพอเป็นมาดูรพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านบวชท่านก็มีเยอะแยะเลยมีประสาทสามดิบอยู่มีคนค่าราชบ ร, ริพารคอยรับใช้เป็นจนํานวนมากมายมีงานเลี้ยงทั้งวันทั้งคืน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 ไม่สำหรับหาหาเลี้ยงชีพผ้าจีวรสามผืนก็เป็นสี่ชิ้นเป็นเครื่องรุ่มห่แล้วก็มีที่เข็งขาดรับเองอีกชิ้นหนึ่งเรียกว่าประคดเอวก็เป็นห้าชิ้นชิ้นที่หกก็คือเม็ดกนเอาไวต้ตรงผม ต, ตรงหนวยชิ้นที่เจ็ดก็เข็งกับได้เอาไว้ซ่อมจีวรเวลามันขาด ที่แปะแค่ที่กองน้ำทำอยาไรก่อนไม่เราไม่มีน้ำป ร, ปรับปาไม่มีโรงกรองน้ําถ้าถ้าเราตักน้ําจากในบึงในห้วยในลำทางก็อาจจะมีตัวสว์มีรูน้ำอะไรพวกนี้ก็ต้องใช้ที่กองตักขึ้นมามันจะได้น้ําที่ไม่มีสัดเข้ามานี่คือสมบัติของคนที่มีความพอ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 ถ้ายังอยากได้นู่นอยากได้นี่แสดงว่ายังไม่ใช่เศรษฐีคนที่เป็นเศรษฐีจริงก็เป็นคนที่ไม่อยากได้เลยนะเพราะมีทุกอย่างแล้วจะไปเอาอะไรมีบรลุน ม, มาศุกแล้วจะไปเอาอะไรที่คนเราทุกคนหากันทุกวันนี้ก็หาบรลุน ม, มาศุกกันแต่ไม่คิดว่าบรลุน ม, มาศุกอยู่ที่มีบ้านใหญ่ๆมีเครื่องใช้ไม่สอยมีอะไรต่างๆ มีรภาษา ส, สามนิ้วดูมีคนรับใช้มีคนอะไรต่างๆอันนี้ไม่ได้เป็นเศรษฐีแท้เศรษฐีแท้เนี่ยไม่ต้องการจะมีอะไรไม่ต้องมีอะไรคนที่มีความพอนั่นแหละคือเศรษฐีคนที่ยังต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ไม่ใช่เศรษฐียังเป็นคนอยากยังเป็นคนจนเหมือขอทานขอทานก็อยากได้นู่นอยากได้นี่ เศรษฐีมันก็ยังอยากได้นู่นอยากได้นี่อยู่มัต่างกันตรงไหนขอทานก็อยากจะได้เงินได้ทองเศรษฐีก็อยากจะได้เงินได้ทองเพิ่มขึ้นมีร้อยน้านก็อยากจะได้เป็นพันล้านมันก็ต่างกันตรงไหนเศรษฐีกับขอทานมันก็เหมือนกันใช่ไหมถ้ายังมีความอยากอยูแต่เศรษฐีที่จริงเขาไม่อยากได้นะเขามีทุกอย่างแล้วเขาไม่ต้องการอะไรนะอันนั้นแหละคือเศรษฐีจริง พระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นเศษผีจริงพรานางตาสาวองคนี้เป็นเศษผีจริงท่าไม่ต้องการอะไรบ้านใ่าก็ไม่ต้องการท่านอยู่ที่ไหนก็ได้บ้านของท่านเต็มไปหมดอยู่ตรงไหนก็เป็นบ้านของท่านอยู่ป่าไหนก็เป็นบ้านของท่านอยู่ถ้ำลูกไหนก็เป็นบ้านขอท่านทมีบ้านยาเยอะแยะไปหมดจะไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อยู่อย่างสบายนอนหลับสบายไม่กลัว AM จะมีใครมาต้นมาจี้ ไม่ต้องมีรอป พ, อพอเป็นเสียทีนี่ไปนอนตามตามป่าตามเขาได้ครับไม่ได้หรอกไปทีก็ต้องยกขบวนไปต้องเอาร อ, พ อ, พอปพมาคุ้มครองเป็นบุญเมื่อก่อนก็มีเสียทีคนมาบวชอยู่เบงเขามาบวชอยู่สิบห้าวันแต่เอารอป พ, อพอมาต้องหกเจ็ดคน มีทั้งพระรอพ อ, พอมีทั้งทหารมีทั้งคนละเลือนมาเป็นรอ พ, รพอกลัวเดี๋ยวจะถูกจับไปเรียกฆ่าถ่าพอตอนเชาน้านี่บนขาวนตอนเช้ามืดต้องเดินลงไปที่วัดข้างล่างไปบินตลาดแลก็เดินไปมันก็เป็นทางเปรียว ถ้าเป็นเศรษฐีถ้ก็รู้เป็นเศรษฐีแล้ว ม, ม, มันมันดับแจกไปรักค่าขายได้แต่ถ้าเป็นคนธรรมดาอย่างเรานี่สบายเดินมากี่ปีไม่เห็นต้องมีรอพอรเว้นมีใครจะมามารักตัวไปรักคาถายเพราะรักไปก็ไม่ได้ค่า่ายรักไปต้องไปเลี้ยงเราสิเสียเงินเสียทองหรเปล่าใช่ไห การไม่มีสมบัติเท่าของเงินทองเนี่ยปลอดภัยเนื้อมีซบมีซั์เยอะนี่อันตรายเพราะมีคนคอยจะเจ้าจะลักคอยขโมยจะจี้จะป้นเอาเอาสมบัติภายานดีกว่าเอาความสุขภายในใจที่เกิดจากการทำใจให้สงบนี่ดีกว่าใจสงบแล้วไม่มีอะไรที่จะมา ดีเท่าความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เหนือกว่าความสุขทีงปวดเขาจะเจ้าทรงตรัสไว้ว่านัตถิสันติบาลังสุขขังไม่มีความสุขใดในโลกนี้ esterol, Stevens, ที่จะดีเ hmm. ท like ่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบในความสุขันี้นะไม่ต้องการความสุขแบบอื่นไม่ต้องการความสุขจากการมีแฟนไม่ต้องการความสุขจากการมีลูก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 กับแว่นตาที่โยมใช้เนี่ยบางทีเผื่อว่าไปทิ้งไว้ที่ศีรษะแล้วก็เวลาจะใช้ก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนเดินหาทั้งบ้านเลยหาอย่างไงก็ไม่เจอจนเป็นเดินไปเจอไปดูกระจกข้าวอาำมันอยู่ตรงศีรษะเราเองเก็อันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็มาหาความสุขกันหาไปทั่วโลกเลยไปท่องเที่ยวที่เมืองนั้นเมืองนี้ที่ว่าความสุขอยู่ตรงโน้นกันแต่พอมาเห็นกระจกมองักษ์เสากระจก กระจกก็คือธรรมะของมูตจามเนี่ยเป็นกระจกพอไปได้ฟังเทศฟังธรรมท่านก็บอกว่ า, วาความสุบมันอยู่ในตัวเราแล้วไปหาอะไรที่ไหนอยู่ที่ความสงบเท่านั้นแหละทําใจให้สงบแล้วมันก็มีความสุขแล้วไม่ต้องไปเมืองนอกเมืองงามไปเที่ยวให้เหนื่อยกันไปเที่ยวกลับมาแล้วเป็นยังไงครัหายไ้หมดแนละ้วสงบไปแล้เดีย ว, ยวกลับมาแล้วก็เหมือนกันไม่ได้ไปเหมือนเดิม เหมนก่อนไปแล้วเดี๋ยวก็อยากจะไปใหม่เห็นความชุก ข, ข้างนอกมันเป็นแบบนี้ยเป็นความชุกแบบแวควันไฟได้มาปอบแล้วเดี๋ยวก็จางหายไปแล้วเดี๋ยวก็ทำอาหาใหม่อ้หาใหม่เรื่อยๆไฟใหม่เรื่อยม่ยากโยงคนหนึ่งมาใส่บาตเป็นประจาเนี้ปีหนึ่งไปเมืองนอกสองสามครั้ง ไปที่นู่นแล้วก็ไปที่นี่ที่นู่แล้วก็ไปที่นู่นนระถามพอเลยยัไม่พอยังจะ ไ, ไปเพราะมันอยู่เฉยๆแล้วมันไม่สบายใจต้องได้ไปได้ออกจากบ้านแะล้วเสกเงินออกจากกรงนะอยู่บ้านถูกขังอยู่ในกรงแต่เวลกลับบ้าน้วมันก็หน้าบึ้งตึงกลับมา เขาจะมีคำพูดว่าเวลาไฟเหมือนการบินนะเวลากลับมาเหมือนหากินนะเวลาจะไปเที่ยวเนีโหเดียวดีใจเนอย่างเตรียงเนื้อเตรียงตัวกันเราได้ไปเที่ยวพอกลับมาพอจะกลับบ้านจะหมซึมเศร้าแล้วกลับมาเจอของเก่าๆของน่าเบื่อหน่ายเพราะใจเราไม่มีความสุขในตัวเรา เราเลต้องไปหาความสุขข้างนอกใจจากความสุขข้างนอกใจมันาดึงความสุขปลอมหาถ้าไหลายมันกลายเป็นความทุกข์บาทีทุกทีไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันหายไปแล้วความทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาความเหงาความว้าเวัก็โผล่ขึ้นมาก็ต้องไปหาใหม่เพิ่มมาแก้ความเหงาความว้าเวัยแก้ถ้าไหลาก็ไม่หายสักที ไปเที่ยวข้างนอกมากี่ครั้งพอกลับมาอยู่บ้านก็เหนาเหมือนเดิมเบื่อเหมือนเดิมเสีเหมือนเดิมถ้าอยู่บ้านแล้วนั่งสมาธิ ท, ทาใจสงบได้จะหายเบื่อหายเสีงแลวจะไม่ต้องไปไหนสบายเงินก็ไม่ต้องเสียไม่ต้องไปเหนื่อยไปหาเงินหาทองเงินหมด ก, ก็ไม่เดือดร้อนไม่มีเงินก็ไม่เดือ ร่างกายอดยาขาดแคลก็ไม่เดือดร้อนร่างกายอดตายก็ไม่เดือดร้อนถ้าใจมีความสุขมีความสงบมันจะหยุดละมันจะรับกับความทุกข์ของร่างกายให้ทุกรูปแบบพระอรหันต์พระพิทธเจานีท่านเจ็บตายอย่างสบายใจของท่านปรามังสุขแข็งตลอดเวลาเหมือนกับเวลาที่ร่งางกายไม่เจ็บเวลาร่างกายเจ็บกับเวลาร่างกายไม่เจ็บนี่ไม่ต่างกันใจของท่านสุขเหมือนเดิม อันนี้แหละที่สิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เราได้ยินได้ฟังแล้วถ้าเรานำออกไปปฏิบัติได้เราก็จะได้รับผลเช่นกันคือประทําใจให้สงบกันวิธีทําใจให้สงบนี้ก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมืออันแรก็สีมต้องมีสีมอนตอน้องเริ่มที่สีห้าแล้วก็ต้องขยับขึ้นสีแปดสีแปดสีแดง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 ถ้านอนบนทุกข์หนาๆนี่มันจะนอนเกินเวลาร่างกายนะครับ พ, พอแล้วตื่นขึ้นมามันไม่อยากจะลุกมันก็จะนอนต่อแต่ถ้านอนบนพื้นแข็งๆนี่พอร่างกายได้พักพอแล้วตื่นขึ้นมาก็ไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันแข็งพื้นนั้นแข็งไม่สบายทุกลุกขึ้นมานั่งสมาธิรู้จัเขั้นต้นต้องถือสิ่งแปลให้ได้ถ้าจะนั่งสมาธิ เวลาไปอยู่ว่าไปปฏิบัติธรรมอะไนี้เขาให้ถึงศีแลแปดเร้วเราจะได้มีเวลามานั่งสมาธิมาเดินจงกรมมาเจริญสติมาควบคุมความคิดขั้นตอนนี้พอมีศีลหนะ้าขั้นที่สองก็ต้องมีสติคอยเบรคสตินี่เหมือนเบรครถยนต์ถ้าเราต้องการให้รถหยุดแล้วก็ต้องมีเบรคเนีย่ยถ้ารถวิ่งลงเขาเราไม่มีเบรคเรามันจะมันจะหยุดนะ มันก็จะวิ่งทะนุแหงโคงตกเขาเลยมันต้องมีเบรคความที่เขานนี้จะหยุดได้ก็ต้องมีสติถ้ามีสติมันก็จะหยุดความคิดได้เราต้องมาติดเบรคให้กับใจด้วยการฝึกพุทโธพุทโธไปทั้งวันเลยไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งเท่านั้นเอาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาจะคิดอะไรปุ๊บก็พุทโธพุทโธไปเลย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 แต่คนเราต้องหาที่สงบกันไม่ค่อยได้นะตามในบ้านในเมืองที่เราอยู่กันนี่ไม่มีทีม่มีความสงบกันเลยแปลนะ ต, นะต้องไปหาวัดไปอยู่ตามป่าตามเขาไปถึงจะไปเจอที่สงบกันบ้านเมืองเรานี่เจริญรุ่งเรืองแต่สิ่งที่ขาดก็คือความสงบนี่แต่รูปเสียงเกลียลดตลอดเวลาแสงสีเสียงยิ่งในเมืองนี่บางที ไม่มีการหลับไม่มีการนอนเลยเมืองพัทยาเนี่ยทั้งวันทั้งคืน น, นั่นคืออำนาจของความหลงมันทําให้คนคิดว่าแสงสีเสียงเป็นความสุขกันมันก็ลเลยเสพติดกันเหมือนยาเสพติดเราเสพแล้วมันก็หยุดไม่ได้มันต้องมีอยู่เรื่อยเหมือนถ้าไม่ได้เสพก็เหมือนขาดลมหายใจต้องในโลกเสียงเกล็ดนัดให้ ด, ใหดูให้ฟังอะไรอยู่เรื่อย มีของให้กินให้ดื่มเยอๆๆะๆในไม่เคยมีความสงบกันคนที่ต้องการหาความสงบจะอยู่ในบ้านในเมืองไม่ได้ในบ้านในเมืองที่เราคิดว่าเป็นเป็นเมืองสวรรค์กันที่เราพัฒนาสร้างอะไรต่างๆขึ้นมามากมายเนีบ้านช่องราคาราคาแพงๆนะั่นะนะคอนโดคอนโดอนะไรราคาเป็นล้าน แต่กับหาความสงบกันไม่ได้ต้องไปอยู่ป่าอยู่วัดป่า<ม>อยู่กระต๊อบราคาไม่กี่ร้อยกีทันที่มีความสงบอ่เงีดวบนเนี้ยมีมีกระต๊อบเล็กๆก็แค่ยืเกือบสิบกว่าอย่งคนมาปฏิบัติอยู่กันแค่ มีแค่มีห ท, ทางนาเหน้อยฝาไม่มีมีทางเดินจงกรมแค่นี้ทองละ<ม>ที่สร้างที่สร้างคนให้เป็นมหนาเสรษฐีไม่ต้องมีอะไรมากมีกระต๊อบเล็กๆเราพุทธเจ้าก็มีต้นโพต้นหนึ่งก็พอแล้ว<ม><ม>ประทับใต้โคนต้นโพลปัจชรลยวที่โคงต้นโพลคบกับความพอที่โคงต้นโพ หยุดความอยากได้ที่คนต้นโพรงพวกเราที่ไปพุธกยากันกลับไปด้วยความอยากกันไม่ได้ไปเพื่อที่จะไปหยุดความอยากอยากจะได้กราบพระพุทธเจ้าอยากจะได้เห็นน่นเห็นนี่โดยที่ไม่รู้ว่าพระเจ้าสอนให้หยุดความอยากกันก็เลยไม่เคยเจอความว่าพอเลยเาไปถึงพุธกยาก็อยากจะกลับบ้าน พออยู่บ้างก็อยากจะไปที่ธะคยาเพราะมันไม่ได้ไปหยุบความอยากกันมันไปทางความอยากกันความอยากมันจะพาเราไปแล้วพาเรากลับตอนเด็ก ว, ว่าพาเราไปใหม่เปลี่ยนที่ไปเนื่องๆไปไปมาๆอย่างนีน้จนไปไม่ไหวพอไม่ไหวก็อยู่แบบคนแก่อยู่แบบซึมเศร้าไม่ได้อยู่แบบเบิก บ, บานใจ มีแบบเศร้าซ้ อ, อยไอวเหงาบางคนทนไม่ไหวก็ฆ่าตัวตายปกป็นคนนี้นี่คือผลที่เกิดจากการไปหาความสุขข้างนอกพอเวลาแก่แล้วไม่มีปัญญาไปหาก็ทุกข์กว้าเหว่เศร้าสร้อยไหวเหงาซึมเศร้าแล้บางทีก็ฆ่าตัวตายกัน งัให้เรามาหาความสุขที่แท้จริงอยู่ในตัวเราเนี่แอยู่ที่ความสงบอยู่ที่การรักษาสีอยู่ที่การเจริญสติพุโทโธพุโทโธไปทั้งวันอย่าปล่อยให้มันคิดอะไรแล้วก็นั่งให้มักๆนั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธไปทำใจให้นิ่งให้เย็นให้สงบใจสงบแล้วก็สบายพอจากความสงบมาพอมันอยากจะได้อะไรก็ใช้ปัญญา สอนว่าอย่าไปไปทำตามความอยากากลับไปไปหาความทุกข์กันได้อะไรแล้วเนื้อก็ต้องทุกข์เพราะมันเนื้อต้องบกไปอย่าไปหาอะไรความสุขไม่ได้อยู่ที่สิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ความสุขอยู่ที่การไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอแต่ถ้าเรามีแค่นี้เราก็จะสามารถที่จะกำจัดความอยากให้หมดไปจากายได้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 ใจของพวกเราก็อยู่แต่พวกเราอยู่ด้วยความอยากใจของพระพุทธเจ้าใจของพ้าอาหานี้ท่านอยู่ด้วยความพอท่านจึงต้องเช่นที่ไม่ต้องมีไม่ต้องมาเกิดไม่ต้องมามีร่างกายพวกเรายังต้องมามีร่างกายอยู่เรื่อย เ, เพราะยังไม่พอพอร่างกายนี้ตายไปก็มาหาร่างกายเหมือนมาเกิดใหม่เพื่อจะได้ใช้ร่างกายพาเราไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ต่อไปกินต่อไปดื่มต่อ ไปดูต่อไปทงต่อถ้าไม่หยุดมันก็จะไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเวลาแก่เสียายก็ทุกข์กันเวลาพลาดพลาดจากกันก็ร้องห่มร้องไห้กันที่คือสถามที่โองเราพัลลเดิมเราต้องมาเปลี่ยนทางกันมาถือสีลแปลดกันนะมาเจเริญสติเราพุโทโธพุโทโธกันมานั่งสมาธิกัน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 ถ้ายังมีการเกิดอยู่ก็ยังต้องมีความทุกข์อเพราะพุทธเจ้าพระสาวกนี้ท่านไม่มีความทุกข์แล้วเพราะท่านไม่มาเกิดแล้วท่านมีแต่ปรมาสุกถังบารมีสุกยังขอให้เราเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปปฏิบัติต่อถ้าฟังแล้วเก่าวหูซ้ายออกหูขวาก็เดี๋ยวก็เริศเป็นแล้วไม่เอาไปปฏิบัติก็จะไม่ได้อะไร ถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้ผลถ้าอยากได้ผลต้องปฏิบัติก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจานโมทนาให้พอเดี๋ยวนี้ถ้าจารไม่ไม่มีหนะังสือทากำลังใจแล้วเหลอคะมีแต่จากข้างล่างกลังใจมีหนังสือสนับคนทาบุญอ๋อสำนักธรรมวัตถิษะ์ถ้าบุญ น, นี้อายากสนับพวกปฏิบัติก็จะเป็นทางที่ สอนเกี่ยว ก, กรยารอะไรอะรแยกกันแต่พวกหนังสือพูดนี้ก็แจกข้างล่างด้วยแต่กำลังใจไม่ได้แจกข้างบนทำสวยงามเลยครับแลมีคนต้องทำทำไมไม่ได้ทำให้นหนัง <laughs> สือพ <laughs> ูดนะบริษัททำเก็บเงินมาให้แจกคือฟังธรรมะของท่านอาจารย์แล้วก็ คือมันก็อยากจะทําให้ได้อย่างที่ท่านสอนนะคะแต่บางทีมันเหมือนว่าชีวิตเรามันก็ยังต้องพึ่งพาตัดมันไม่ได้ยังตัดไม่ได้อาจจะว่าใจเรายังมันยังยังละไม่ได้ทุกอย่างที่เราต้องการนะไม่มีกำลังค่ะมันยังไม่มีกำลังไม่มีกำลังยืนบนต้นแค่งต้นขาตัวเอง ต้เพิ่มสิ่งนั้นสิ่งนี้่อนนั้นเพื่อคนนี้อะอะไรปฏิบัติไม่ได้เป็คนเดียวไ่ไดก็พยายานที่จะทาอยู่ก็ไม่ว่าเลยไม่ได้บังคับให้ทำบอกให้รู้ท่านี่ทำได้ก็นีทไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้หยวงพี่ท้านเป็นยังไง่านเป็นบวยนะท่าน้าจากมาจากเช้าเลย อันารยเรีก่อองจามันลงเรงกหาลัยอาจายเข้ามหาลัยแล้วก็ต้องไปเรียนก่อนอาจารย์ทีนวัดกับศานที่เรียนสาวก็มีหลายมาตรฐานเพราะสถานีมันมีภาคทิ แตกต่างกันไปเลยทำให้ว่าแต่ว่าไม่เหมือรกักเาจับคันมากๆอยากเดินทางทำาก็เลยเปีแล้วเขาก็ยังมีกำหนดชวนมาใช่ไหมจริงแล้วเขตั้งใจจะนเดือนหนึ่งแต่ตอนนี้เหลือเพียงเดียเหลือเพียงเดียวเพระว่าถ้าอยู่ทิ่งานตรงแต่ตรงนี้เปิดผาหน้าไม้ยืบ คือือเด็กี่เกลเอก็มาทิ้มือที่วัดอนนี้ก็อย่างี้แหละมันจะอาน้ำนมาทิ้มือที่วัดลูกลักไว้กล้ตัวัก็ไที่ท้องไม่เช่ายนใส่ยกให้วัดไปหมดลูกดีดี๋ยวโนให้วัดไปลูกดีเก็บไว้ที่วัดวันนี้เดี๋ยวต้องพาพระี่ส่งก็จะกลับนวันกร์ลาเดี๋ยให้พระมาลา้า ไม่เป็นไรไมได้ไปได้เลยเดินมาทางนี้เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรผ้าไม่หล่นเลยใช่ไหมไม่เป็นไรผ้าสักการะไม่ได้เล บจะได้ไปให้มากาบไม่ให้มาได่เพราะยังนักศึกษาศีลเราสึกษาธรระของเราไปส่วนคหนึ่งก็จะทอย่างะเียดไปสนใจนะ น, ะ น, ะนะับรักษาศิลสมาธิปัญญาของเรัไคนหนึ่งเขาจะทำไม่ทำก็เรื่องของเขารู้ใช่ไหมว่าศีลของภระมีอะไรบ้างศีลของพ้ามีอะไรพระสวมนต์ สบายทำานทำอะ่รนะได้ครับใครมีคำถามอะไรก็ถามได้ถามเราอย่างนี้เข้าใจไหมว่าอยากจะให้ชี้แจงเรื่องมาเนี่ยตอนนี้เวลาที่เรามาต้องช่วยกันบอกญาติโยมน่อนะว่าต้องปิดโทรศัพท์มือถือนะแล้วทางบ้านก็ก็บโจนมาว่า ไม่ร บ, บกวนประ ก, กาศให้เาทาบว่าสาาัญญาณของน้ำชนกันนี่ก็ใช้สัญญาณวิทีไมโนก็พนนี่ลำโพงแล้วสัญญาณโทรศัพท์ที่มันม า, มามนชนกันทำให้เสียงงันผ้า ไม่เลยต้องเปลี่ยนเสียแล้วบางทีคนก็เสียงโทรเข้ามาสำหรับความเทศทางทางวัสดุหลงรู้สึกคนต้องจะให้ควมย่าถามนิดนึงคนที่เขาไม่สบายที่อย่างเป็นอัมพาตเป็นอะไรที่เส้นเลือดมันตีบมันตันอะไรเงี้ยแล้วทำให้เขาไม่รู้ตัวนอนไม่รู้ตัวอย่างเงี้ย แต่จุดเขานี้ก็ยังรับรู้อะไ ร, รได้รู้เหมือนเดิมรู้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่เขาไม่สามารถจะใช้น่างกายเป็นสิ่ที่จะตอบโต้กับเราได้เรารู้เราด่าเขาเขาพอรู้แต่เข้าด่ากลับไม่ได้เพราะนั่งกา ย, ยมันไม่ไม่ตอบรับคําสั่งในจิตนะเพราะมันบกพร่อมันเสียในรอบเดือนนี่้ คนขับกับรถยนต์นคนับส่วนกันรถเสียคนขับไม่ได้เสียแต่คนขับไม่สามารถสั่ให้รถวิ่งไปไหนเมืไหนได้ก็ต้องจอดอยู่เฉยเจิดเป็นเหมือนคนขับส่วนร่างกายเป็นเหมือนรถถ้าตาบอด ก, ก็มองไม่เห็นแต่ใจยังรู้อยู่ยังรู้เสียงได้นะถ้าถ้าหูหูบ ก, ก็รับเสียงไม่ได้ ใจก็ยังรู้ใจไม่ได้เป็นอะไรไปขับร่างกายแต่ว่าไม่สามารถใช้ร่างกายรับสื่อต่างๆเข้ามาได้เ้วยใจาย่างเรื่องเรื่องความอยากที่เมื่อกี้ท่านเทศค่ะแต่ทีนี้ถ้าเราคือเรายังตักไม่ได้อย่างที่ท่านอาจารย์พูดเนี่ย แต่ว่าเราเอาให้ความอยากเป็นในทางที่มันเป็นบุญกุศลทำทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์คือยังไงชีวิตของเรามันก็ต้องดําเนินต่อไปแต่ถ้าเราเราอยู่กับแต่ความสงบเนี่ยบางทีมันมันกับจิตมันยังไม่มีพลังที่จะอยู่อย่างนั้นได้ตลอดเนี่ยมันก็ต้องมีต้องมีอะไรเป็นเครื่องอยู่อะฮะเราก็เอาความอยากหรือคิดในสิ่งที่มันเป็นบุญกุศมันเป็นคนติดยาเสเติดไปอย่างอยู่ดีๆมันก็เลิกไม่ได้ มันก็ต้องเสกไปก่อนแต่เสกแล้วเวลามันไม่ได้เสกมันก็จะทุกข์กลัไปร่างกายมันแก่ลงไปแก่ลงไปมันอยากจะเที่ยวมันไม่ได้เที่ยวมันก็จะทุกข์แล้าวนี้เที่ยวได้ก็เที่ยวไปเดี๋ยววันสักวันมันจะเที่ยวไม่ได้อันนั้นก็อยู่บ้านก็จะซึมเศร้าเป็นโรคซึมเศร้าอะไรเพราะเจ็บไม่สามารถหาความสุดแจกรูปเสียงเปี่ยนลดได้ เพราะร่างกายไม่สามารถพาไปไหนมาไหนได้งั้นรีบ ม, มาทําใจให้สงบดีกว่าแล้วมาอ่านอะไรด้วยถ้ายิ่งไปทางทางนู้นมันก็ยิ่งติดอยู่นื่นนะอง่ะ ม, ม, มีทางนี้ต้องเริ่มต้องฝืนมันลดมันกำลังกา็อกมันให้มันน้อยหนะ่ อ, อยครไปเชื่อวปีละสองครั้งอราแค่ครั้งเดียวตอนนี้ก็เที่ยวน้อยลงต่อไปก็เอาแคกสองปีทักครั้งนึงต่อไปก็สามปีทักครั้งหนึงอะไรอย่างนี้ ให้มันลไปริมาณลงไปก่อนแล้วมันร้อยลงไปเรืยยย่ยลดไปทีละครึ่งทีละครึ่งแล้วมันก็หมดเองท่านอาจารย์อย่างคนที่เขาเป็นหมอหรือเป็นอาจารย์อะไรเงี้ยเขาก็ยังมีความรู้สึกว่าคือถ้าเขายัางแข็งแรงเขาก็ยังมียังอยากจะทําทประโยชน์ให้กับสังคมไปช่วยสอนไปช่วยตรวจคนไข้หรืออะไรเงี<ม>้ยคืออันนี้มันก็ทําให้ชีวิตเขาเองก็เหมือนมีค่าขึ้นอย่างนี้มัน มันจะไม่ดีเหรอเจ้าค่ะมันเป็นค่าที่มันได้ค่าที่เราจะได้จากการปฏิบัติเป็นเหมือนไก่ไก่ได้คอยกับมันไม่ชอบใช่ไหมไก่เวลามันคุยเขียนปัญหาอะไรตัวนอนตัวไส้เดือนกินใช่ไหมพอมันเจอเพจเจอพลอยก็เขี่ยติ้นเขี่ยติ้งเลยพราะมันไม่รู้คุณค่าของเพจพลอยว่ามีค่ามากกว่าไส้เดือนที่มาหากินอยู่ มันก็คิดว่ามีชายเดือนยิน่งเยอะเท่าไหร่มันก็มีคุณมันก็เป็นเศรษฐีมากขึ้นไปคนที่ทํางานทางโลกก็คิดว่าโดยยิ่งทํำก็ยิ่งมี ม, มีคุณค่าในทํำนู่น ท, ทำนี่แต่ไม่รู้ว่าคุณค่าที่ได้จากการปฏิบัติธรรมนี่มันเป็นเพชรเป็นพลอยเราทัเงียดพวกเราเป็นเทั่วไก่ได้พอรู้จักคุณค่าของการทําประโยชน์ทางโลกแต่ไม่คุณค่าประโยชน์จากการปฏิบัติธรรมเพราะเรายังไม่เคยสัมผัสรถแห่งธรรมกัน เราก็เลยไม่เห็นคุณค้าว่ากว่าจะได้ถึงว่าแข่งทางนี่มันต้องเหนืออ่อยมันต้องเหนื่อยออกแทบตายกว่าจะได้มันต้องเหนื่อยมัน จ, นจึงไม่อยากจะไปทางนี้กันกว่าจะได้เม็ดแต่ละเม็ดนี่ขอโมันต้องขุดเข้าไปลึกขุดเข้าไปในดินลึกเหนื่อยกว่าจะได้แล้วเวลาขุดก็ไมารู้มีหรือเปม่านี่ทำให้ท้อแท้ใจเลยไม่อยากจะขุดกัน การปฏิบัติธรรมถ้ายังไม่ได้เห็นผลนี่มันเสร็จมันท้อแท้มันเหนื่อยมันเบื่อแต่ถ้ามันปฏิบัติแล้วเห็นผลตั๊บนี่มันจะติดใจมันจะหายเหนื่อยแ mm hmm. ้ามันจะทําให้มากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้เรายังไม่ได้ผลเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระสาว ก, ก่อนไปทางนี้ถูกแล้วทําไปเถอะขุดในเข้าไปเถอะในดินนั่นแหะเม็ดใหญ่รอเราอยู่นะ อันนี้มีแต่ทิศมีแต่ดินมีดิน ม, มีแต่กรวดมีแต่ทรายไม่ต้องกังวลขุดไปเรื่อยๆอย่าต้องเจอเพชรเป็นตั้งนานพอเจอแล้วมันก็หายเหนื่อยแต่ตอนนี้เราปฏิบัติใช่มันอยู่วัดแค่สองประเทศกลับมาก็หอบนะ <c oughs> โยเหนื่อยไม่ได้อะไรเลยแต่พอไปเที่ยวนี่โอ้มันสนุกมันมีความสุขมันตื่นเต้นมันเร่าใจเลยชู้ไปเที่ยวไม่ได้ เลื่อไปทำประโยชน์ทางโลกที่เราทำได้เราชอบไปช่วยเหี้ยใครก็ไปทำาก็ทำได้นั้นแต่มันประโยชน์มันน้อยกว่าเื่อทางจิตใจคุอาจารย์คะและจิตของคนที่เป็นอัลไซเมอร์ ซ, ซึ่งร่างกายเขาก็ดูปกติแต่ว่าความสมองเขามีความเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจิตก็เป็นจิตเหนือนเดิมไม่เกี่ยวกัน เป็นเรื่องของร่างกายของมันก็เหมือนรดยงเนี่ยรถยนต์ที่มันบางทีไฟเสียไปข้างมันก็เหมือนตามบอกบางทีที่ปั่นน้าฝนมันเสียไปข้างคอยขับล้วก็เหมือนเดิมที่มันขับลำบากหน่อยเวลาฝนตกถ้าที่ปั่นน้าฝนมันเสียมันใช้งานไม่ได้มันก็มองมันก็เห็นเท่าไหร่ก็เหมือนสมองทํางานไม่เต็มที่จะทำอะไรมันก็ทําไม่ได้เต็มที่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 เาวันนี้จะมาที่นี่แล้วก็สั่งให้มันมา ม, นมันก็พาเรามาถ้าจิตไม่สั่งมันก็ไม่มาแล้วมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของจิตปัญหาของจิตมันอยู่ที่ความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่ทําให้จิตทุกข์เท่านั้นเอส่วนปัญหาของร่างกายนี้มันก็เป็นเรื่องของร่างกาย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 แต่ถ้าเราต้องอาศัยเขาทำรุ่นทำนี่ให้เราพอเขาจะกลับบ้านไปชักแต่าาทางนี้ก็ทำให้เราเด็อดร้อนขึ้นพระญาณสงศอให้เราหันมาพึ่งตัวเองอย่าไปหาความสุขผ่านทางร่างกายเพราะเวลาร่างกายเสียร่างการไม่สามารถทำการที่เราต้องการได้เราก็จะทุกข์แต่ถ้าเรามีความสุขในตัวเราเองได้ด้วยการนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ เราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายแย่แก่จะเป็นเอาไซเหงื่งอหรือเป็นอะไรมันก็ไม่ได้ทําให้จิตใจเดือดร้อนแต่อย่างใด<ม>จิตใจไม่ต้องใช้ร่างกายเหมือนคนที่ไม่ต้องใช้รถยนต์ก็ไม่เดือดร้อนกับรถยนต์<ม>แต่คนที่ต้องใช้รถยนต์นี้จะเดือดร้อนเวลารถยนต์เสีย<ม>ต้องไปซศร้ ถามอะไรไหมไม่ดีเดี๋ยวจะให้ทางบ้านถามนะวันนี้เข้ามากี่คนมีเฟซบุ๊กเข้ามาตอนนี้สามร้อยสิบสามคนครับทีมูทยี่สิบสามครับที่ที่ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกเลยทางนี้ใครอยู่แฟซมีเฟซลุกอยู่ที่ไหนประเทศไหนก็อปดูได้มีญาติโยมอยู่ต่างประเทศหลายคนติดจากสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์ เยอเซียนี่คนเป็นเกือบทุกประเทศแล้วเมื่อกี้มีรายงานว่าเยอรมันเยอรมันก็มาคำถามจากคุณเปิ้ลเวลานั่งสมาธิไปจนลืมลมเวลานั่งสมาธิไปจนลมหมด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 มันจะหายใจเบาก็ปล่อยมันเบาไปให้ลูกเฉยๆเหมือเราเป็นหมอดูคนไข้มีคนไข้าหายใจไปคนไข้จะหายใจแรงหายใจเบาก็เรื่องของคนไข้ของคนไข้จะหยุดหายใจก็ปล่อยก็หยุดหายใจไปร่างกายนี่เป็นเหมือนคนไข้ใจนี่เป็นเหมือนหมอหรือพยาบาลก็ดูไปเวลาดูลมก็ดูเฉยๆอย่าไปควบคุมลมทับลมให้ควบคุมบังคับใจไม่ให้ไปที่อื่น ให้อยู่ที่เลมไม่ให้คิดไม่ให้ไปบังคับไม่ให้ทําอะไรให้ดูเฉยเฉยมันจะหมดมันจะหายใจเฮือกสุดท้ายก็ ป, ปล่อยไปเราอยากไปคิดว่ามันจะหายใจเฮือกสุดท้ายเราไม่รู้ว่ามันยังเฮื่อกสุดท้ายหรือไม่เราไปคิดเองแล้วก็เลยไปทําไปกั้นมันขึ้นมาเองไปเกณงมันขึ้นมางั้นเราอย่าไปเกงอย่าไปทําอะไรให้ดูเฉยเฉยดูลงว่ามันอยากเรื่องรายละเอียด มันเบาก็ไม่เบามันหมดไปก็ไม่หมดก็ดูไปเท่า น, นั้นเองถ้าถ้ามันหมดเยอะจิตก็รวมเข้าสู่ความสงบเข้าไปมันปล่อยปล่อยลมลมก็เลยหายไปจะให้ลูกเฉยๆสักแต่ว่ารู้คำถามแรกจากจากในเฟซบุ๊กนะครับจากคุณเจมส์ครับถ้าเราไม่ใช่จิตแล้วเราเป็นอะไรครับใครบอกว่าเราไม่ใช่จิต เรามันออกมาจากจิตอะ่้จิตเป็นตัวสร้างเราขึ้นมาสร้างด้วยความคิดพอเราจิตสงบปั๊บเราก็หายไปแล้วแต่ตัวจิตตัวรู้เท่นั้นเองแต่พอเราออกจากความสงบมันคิดมันก็คิดถึงเราขึ้นมาทันทีนะคิดถึงร่างกายก็้วคิดถึงชื่อของร่างกายนี้ชื่อแดงชื่อแดงชื่ อ, อเขียวก็ว่างไปตัวเราของเรามันเป็นความคิดของจิต พอจิตหยุดคิดทุกอย่างก็หายไปหมดเหลือแต่ตัวรู้ตัวจิตตัวเดียวตัวจิตนี่ไม่มีหายไม่มีตายไม่มีหมดแต่ตัวรานี่มันเกิดดับเกิดดับพอเราคิดมันก็เกิดขึ้นพอเราหยุดคิดมันก็ดับไปแต่เราไม่เคยหยุดคิดมันก็เลยเหมือนกัามันไม่ดับ ท, ทักทีใช่ไหมถ้าเราไม่คิดมันจะมีราได้ไตัวรามันมันอยที่ไหนพอเราคิดขึ้นมา่างเนี้ย ความจริเราคิดนี่มันมันเป็นความคิดคิดว่าเป็นเราเราก็เลยคิดว่าเราคิดความจิงเราไม่ได้คิด่มันเป็นความคิดคิดว่าเราคิดเอเข้าใจไหมมันหลอกมันหลอกกันแบบเป็นชั้นชัไปเลยจนงงไปรู้ไม่รู้ใครเป็นใครกันแน่เป็นรก้ใครเป็นเราเราเป็นใครเราไม่มีถ้าเราหยุดคิดเราก็หายไปถ้าเราไปเปิดชาติหน้าชื่อแดงก็หายไปนะชื่อเขียวก็หายไป ไม่ได้ชื่อใหม่ขึ้นมาแล้วนะใช่ตอนเราชื่อเราจําได้ไหะจำไม่ได้แล้วเพราะเราไม่ได้คิดถึงมันแล้วแต่เวลาได้ชาติได้ได้ร่างกายอใหม่พ่อแม่ตั้งชื่อใหม่เราก็เลยเอักชื่อเราชื่อนี้ไปแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยร่างกายนี้ตายเราจะเกิดใหม่ไปเกิดเป็นข้าหนังแล้วก็ไปเป็นเจนเป็นเจนเนารีขึ้นมาใช่อหมเมื่อเกินี้ก็คิดไปตามที่เขาสอนนี้คิด ชื่อเราแดงใครบอกฮะใครบอกว่าแดงอ่ะพ่อแม่แดงแดงแดงเดี๋ยวเาก็จาได้แล้วก็เรียกเราแดงเว้ยตอนนี้ใครเรียกเราต้องเรียกว่าแดงก็แถานั้นมันเป็นเรื่องของความคิดเท่านั้นคิดแล้วก็จำอย่างไหมแต่ตอนนั้นก็ลืมเวลาแก่ลืมจำไม่ได้เรียกแดงไม่ต้องเรียกใครวะกระจายยัง เราไม่มีเรามันออกมาจากจิตออกมาจากความคิดของจิตเองคิดว่าเราเป็นนั่นเต็นนี่กันถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราไม่มีเราลองนั่งสมาธิทำจิตให้วรวมพอจิตสงบวความทึ้นหายไปความจำหยุดทําจําหายไปหยุดไปช ค, คราวมันก็จะเหลือแต่ตัวรู้เฉยๆคำถาต่อไปจะคุณวันนานะครับ อยากถามท่านเกี่ยวกับการตื่นก็รู้หลับก็รู้ค่ะว่ามันใช่ไหมครับหรือว่าไม่ใช่ค่ะขอท่านช่วยอธิบายค่ะคือจิตมันรู้ทั้งหลับทั้งตื่นเเนนี่ห็แต่ว่าถ้าเราไม่มีสติเราก็ไม่รู้ทช่เวลาเราหลับเราไม่รู้ว่าเรารู้นะแต่เราฝันได้ใช่ไหมเราเราเรู้ฝันหรือเปล่าเราเรฝันรู้ใช่ไหมก็ตัวรู้เนี่ยที่เป็นรู้ความฝันไอ้ความฝันก็คือความคิดเอง คิดไปมันก็มันตัวรู้มันก็รู้ว่ากําลังกำลังฝันถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้พอตื่นขึ้นมาตั้งมันก็มาเข้ามาร่างกายความฝันก็หายไปดืมเลยทักเดียวอยากจะว่าเมื่อกี้ฝันอะไรลืมไปหมดแล้วพอมันกลับมารู้เรื่องใหม่ละมันรู้เรื่องร่างกายแทนมนคิดเรื่องร่างกายแทนแต่ตัวรู้มันก็รู้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะหลับจะตื่นมันรู้เพียงแต่มันจํามันจะ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 ทางตาหงจหมกูกเรื่องกายมันไม่รับรูนะ้แล้วเพราวลามันหลับเนี่แต่มันไปรับรูเรรบนเน้เรื่องความคิดต่อเวลาฝันเนีพอเตื่นขึ้นมาเรื่องความฝันมันก็หายไปมันก็มารับรู้เรื่องตาหงจมูกเน้นกายแต่พอเตืมมันก็มีสติขึ้นมาพรมีสติมันก็มารับรูร้ทางตาหงจหมูดเล่นกายแต่สติของเรามันก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ต่อเนี่ยบางทีเดี๋ยวก็เผลอบางทีทําอะไรก็ยังไม่รู้ตัวเองทําอะไรเลย บางทีทำเสร็จยังถามตัวเองไหมเมื่อกี้ทำไปแล้วหรีอยังถ้าไม่มีสติคอยคอยเฝ้าดูอยู่มันมันบางทีไม่รู้ว่ามันทําอะไรมันกําลังทำให้นี่อยู่แต่มันไม่คิดถึงเรื่องนู้นแทนพอทำให้นี่เสร็จแล้วมันก็งงเลยเมื่อกี้ทํำรึเปล่าบังทีปิดประตูบ้านแล้วยังไม่แน่ใจใส่กุญแจหรือเป่าพอตอนใส่กุญแจไม่ได้คิดถึงตอนที่ใส่กุญแจวัวแต่ไปคิดเรื่องอื่นแทน พอเดินออกจากบ้านไปไม่กี่เก้าเมื่อกี้สายกินใจครับผมต้องเดินกลับไปดูมัน แ, แสดงว่าไม่มีสติถ้ามีสติมันจะรู้ว่ า, าทำแล้วเรียบร้อยแล้วสติของเรามันมันมันไม่มีมันจะทําให้ใจมันลอยไปลอยมาจะคิดเรื่องอื่นแทนที่ควรจะคิดถึงเรื่องที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันมันจะคิดเรื่องอดีตบ้างคิดเรื่องอนาคตบ้าง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 เรือการสวดมนต์เรื่องการสวดคำแปลนี่มันก็เป็นการอุบายของการที่ให้เราหยุดความคิดต่างๆการที่เราจะไปพิถีพิถันเงินหาทองพิถหาสิ่งนั้นสิ่งนี้พอเราสวดมนต์มันก็จะทําให้เราดึงเรื่องต่างๆไปถ้าสวดภาษาบาลีเราก็จะไม่เข้าใจความหมายถ้าเราสวดคำแปลเราก็จะเข้าใจความหมาย เป้าหมายของการสวดคาแปลหรืออ่านคำแปลก็เหมืก็เพื่อให้เรารู้ว่าพระุทเจ้าสอนอะไร น, นี่ข้อบทส่วดนั้ในส่วนแหญก็เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะจะอ่านแบบต้องเพลงหรือไม่ร้องเพลงนี่มันไม่สําคัญเวลาเราไปโรงเรียนเรียนหนังสือที่โรงเรียนอาจารย์เขาสอนให้เราร้องเพลงไปกับหนังสือที่เราอ่านนี่แหละมันไม่เทนะ่าไหร่นะทำไมไปร้องทําไม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 แล้วคนที่เรียนมาหาลัยเรียนโรงเรียนต่างๆเขาไม่ต้องร้องเพลงหรอกเขาถึงจะจําได้ใช่ไหมเราเรียนเพื่อรู้ไม่ใช่เน<ช>ีย<ช>เรียนเพื่อจําก็ท่องจําไปเถอะ่านบ่อยๆแล้วมันเดียวมันก็จําได้ดงั้นอ่านพระสูตรเรื่ออะไรนี<ม>่ที่ไม่ให้ร้องเพลงก็เพราะเรียนมันจะกลายเป็นกิเลสไปอาจารย์บอกกิเลสมันชอบร้องนําทําเพลงการปฏิบัติธรรมนี้ไม่ให้ติดอยู่กับ บันเทิงสวดก็เพื่อให้มีสติให้ใจสงบอ่านเพื่อให้เข้าใจความหมายจะได้เกิดปัญญาใ น, ในเรื่องที่จะทําเอามาเป็นทํานองเพื่อให้จําได้นี่มันเป็นเป็นเหตุผลของกิเลกมากกว่าเหตนคนที่เรียนมาหาหลัยเขาก็ต้องเอามาร้องเพลงอลยอันนีน้เรียนวิชาอะไรก็ต้องแปลงให้มันเป็นเสียงเพลงอะไรหมดเลย ถึงจะจําได้ใช่ไหมประวัติศาสตร์นี้ก็ต้องร้องเพลงไปเถอกรุงศรีมาทยาเกิดขึ้นเมื่อพศออ น, นะออนั้นพศนี้กรุงเทพเกิดขึ้นอย่างไรมาอย่างไรร้องเป็นเพลงไปนี้เมื่อไหร่มันจะจบนะแค่นั้นไม่ถูกพูดง่ายๆเืออย่าไปร้องถ้าสวดก็สวดไปตามภาษาไม่ต้องมีทำนองภาษามันเป็นทำนองของมันอยู่แล้ว อัลังส ม, มาสัมพุโทโธพระวานี่ะมันก็เป็นไม่จะไปยบาีลากเสียงยาอัลลังส ม, มาสัมพุโทโธพระตรวานี่ต้องไปล้อมเหมือนนั่นสวดเพื่อให้ใจเรามีสติให้เราสง บ, บไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆอันนี้ก็เป็นวิธีทำรรมสมาธิถ้าอยากจได้ปัญญาก็อ่านคําแปลว่าท่านพูดอะไรท่านสอนอะไรใน ธรรมจักรท่านกสอนว่ามีทางสายกลางมัชชีมาปฏิปทาคือมรรคที่มีองแปลมีอะไรบ้างสามมาทิฏฐิสามมาสังกัโปโงถ้าอ่านไปเด็ดช็ต้องไปร้องเพลงไปร้องมันทำไมเราต้องการความรู้ความเข้าใจจากการอ่านคำแปลไม่ต้องการที่จะไปไปร้องมันถ้าจะร้องก็ไม่ห้ามถ้าอยากจะร้องแล้วมันทำให้จมได้ก็ร้องไป แต่เรเที่ไม่จําเป็นจะต้องร้องอ่านนิชเันก็จําได้เหมือนกันคําถามต่อไปจากคุณหมูครับการนั่งสมาธิทําให้เห็นตัวความคิดว่ามันคิดเกิดทุกข์ก็เกิดมันคิดปลี่ยนเรื่องตลอดเวลาผลคือทุกทุกเรื่องวุ่นวายใจจนนั่งต่อไม่ได้ขอคําแนะนําเจ้าค่ะก็บอกแม่ให้ดูดความคิดเนี่ยให้หยุดความคิดแล้วนั่งสมาธิเราต้องการความสงบ ให้มันอยู่กับพุโทโธแทนมันไม่อยู่ชอบไปนั่งดูความคิดคิดแล้วมันก็อึดผัดขึ้นมาเกิดความอยากจะไปทํำนูน่นทํานี่มันนั่งต่อไปไม่ได้แต่ถ้ามันอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปมันก็จะลืมเรื่องความอยากจะไปทําอะไรต่างๆมันก็จะนั่งสบายสงบเห็นไหลานั่งสมาธิอย่าไปคิดให้หยุดความคิดด้วยการให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกดูลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวไม่ต้องใช้พุโทโธ ถ้าจะใช้พุโทโธก็ไม่ต้องใช้ลมหายใจเข้าท่องพุโทโธพุธโทโธไปเพียงอย่างเดียวแล้วใจมันก็จะหยุดคิดพอมันหยุดคิดแล้วมันก็เย็นสบายมีความสุขเนี่ยแสดงว่านั่งสมาธิไม่เป็นนั่งแล้วไปดูความคิดยิ่งคิดมันก็ยิ่งดูมันก็ยิ่งคิดใหญ่ยิ่งคิดมันก็ยิ่งฟุ้งยิ่งฟุ้งมันก็ยิ่งหนึบอัดอจใจเดี๋ยวมันก็อยู่ไม่ได้นั่งเฉยเฉยไม่ได้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 เพราะแรงของมันเยอะกว่าไงแรงของการมันเยอะกว่าแรงของทำและเป็นคนชักไปเยอะฝ่ายหนึ่งก็มีเสียบคนเรามีคนเดียวนี้สู้เขาไม่ได้เขาเนี่ยวกำลังมากกว่าเพราะเราส่งเสริมเขามาตั้งแต่หลายภพหลายชาติแล้วเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็คิดแต่ของสวยๆงามๆคิดแต่คนหน้าตาดีรูปร่างหน้าตาหน้ารักหน้าใครมันไม่เคยไปดูสร้างศพกันเลย มาดูแป๊บเดียวมันจะไปจำได้นะถ้าอยากจะจําได้ไปนั่เพ่งดูภาพศพสักสิบวันเนี่ยนั่งดูเปนทั้งวันเปิดดูมันทั้งวันอยู่ให้มันจําได้ต่อไปมันยังมีกําลังพอมันจะคิดถึงของสวยๆงานก็บอกเดี๋ยวมันก็ต้องกลายเป็นสร่างศพนี่ยงคนเราทุกคนเนี่ยต่อไปมันจะเป็นอะไรเป็นศพไหมจะไม่ใครคิดแก่ว่าเป็นศพไปไหนนะ งั้นต้องดูบ่อยๆแล้วต่อไปภาพของศพมันก็จะฝังอยู่ในใจเหมือนกับการหัดท่องสูตรคูณเนี่ยถ้าเราไม่ท่องสูตรคูณเราก็จําไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าหลับท่องไปเรื่อยๆท่องไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จําได้ข้อไก่ข้อไข่เนี้ก็ต้องต้องกันก่อนถ้าไม่ท่องมันไม่รู้อีอ่มันมีอะไรบ้างถ้าอยากจะให้จําสูตรจะจำทราศบศพได้ก็ต้องดูมันบ่อยๆอย่างนี้เรามีทั้งภาพมีทั้ง อะไรให้ดูอยู่ตลอดเลาถ้ามัไม่ดูสัก็ชอบไปดูของอย่างอื่นชอบไปดูของสวยๆเงางามกนอย่างนี้วันนี้ดูสร้างศพกันไหมยังก็เรานี่แหละเวลามีข้าววิ่งเขมก็คิดถึงเวลามันตายบ้างนีู่เวลามันตายมันจะเป็นอะไรเห็นสรางศพอยู่ทุกวันจะมองไม่เห็นสรางศพเห็นแต่นางฟ้านางามเพอใจไหม พ่าเราไม่คิดถึงทางถึงมันมันก็เลยไม่มีกำลังมันคิดแต่ของสวยๆงามๆแม้แต่หน้าตาตัวเองก็สวยๆงามๆตลอดเวลาฮะพอมีผิวมีฟาไหน่อยก็อยากจะปิดมันนะหาอะไรมาปบมันนะพอนังเหียวหน่อยก็หาวิธีเดึงให้มันเต่งมันไม่ยอมมองความจริงมันไม่ยอมมองรสร้างสดมันก็เลยมองไม่เห็น มันก็เลยสู้มันไม่ได้สู้กิเลสไม่ได้ท่านเคยบอกให้ไปเยี่ยมป่าชา้าบ่อยๆตอนนี้ก่อนป่าช้านี่แต่อ้อมอ้อมศพจะทิ้งไว้ไม่ได้ฝังไม่ได้เผามันจะมีศพชนิดต่างๆตายสามวันตายห้าวันตายเจ็ดวันมีมีหลายชนิดให้ดูอันนี้เราก็มีภาพให้ก็ไปถานมาให้ดูกันแล้วก็เปิดภาพมานั่งดูเลย หรือกายกระตาสิเของล่องตาท่นก็มีรูปภาพของทราบศพต่างๆนี้จิตเรามันมันลไม่ได้มันไม่ชอบของนี้มันต่อต้า้พอดูหน่อยก็เกิดอาการขึ้นไส้ขึ้นไส้อยากจะเจียนขึ้นมามันเลยมึทนดูไม่ได้มันเลยไม่สามารถจําได้มันก็จะคิดแต่้รูปสวยๆยองงาม แล้วมันก็จะปล่อยความคข้ขึ้นมันเกิดการอารมณ์ซึ่งเนี่ยต้องพยายามสอนตัวเองให้หัดดูภาพนึกถึงภาพของศกบ้างไม่ไม่ไม่ใช่บ้างบ่อยๆมากๆดูจนถ้ามนหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นเวลาเห็นใครเห็นก็เป็นซากศกไปหมดเลยมีทครไม่เป็นซากศพบ้างที่เรานั่นองอย่างนี้ เวลาตายมเนก็ไม่มาถ่ายรูปมาตอนที่เราตายเขาเก็บไว้สงบนิ่งๆเลยธรรมธรรมตาปลาจากุณนานโนนะครับการเจริญปัญญาพระธรรมพระสูตรใดเจริญปัญญาได้มากครักก็ทุกพระสูตรเนี่ยเป็นปัญญาทั้งนัน้นมันมีปัญญาหลายระดับเนี่ยแล้วแต่เราอยู่ในระดับไหนเราระดับอนุบาลแล้วก็ปัญญาระดับอนุบาลได้หรือระดับปฐมเนี่ยมันก็มี มันก็เป็นปัญญาทั้งนั้นเรียนทังศีลทุกชาตนมันก็เป็นปัญญาทั้งนั้นเนี่เด็กอันุบาลก็ได้ปัญญาระดับเด็กอันุบาลเด็กปฐมก็ได้ระดับปฐมไปเราอยู่ในระดับนั้นเราก็เรียนในระดับนั้นไปคําถามต่อไปจากคุณตันหาเพราะว่าตันหาวิภาะตันหาครับวัดที่ประผุดอยู่มีพระสี่รูปแล้วไม่มีการประกอบศาสนพิธีไม่มีการสวดมนต์ไม่มีพระพุทธรูปไม่ค่อยมีญาติโยม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 เป็นอัลไซเมอร์แล้วจิตคงไม่รับรู้ใช่ไหมครับน้อก็ไม่เคยเป็นมาก่อนก็ไม่รู้ใครเริ่มอัลไซเมอร์เป็นไก็ไม่รูใครเป็นสักคนก็จริงแต่ได้ยินไม่ฟังว่าจำไม่ได้นอัลไซเมอร์จําไม่ได้ขนาดนั้นก็ไมรู้พอจะจำไม่ได้กระทั่งกินกินไปแล้วก็จําไม่ได้เวลาถ้าไหลับก็ไม่รู้จําไม่ได้ว่าเป็นเวลาได้อันนี้น้อก็ไม่รู้เหมือนกันเพื ทำอะไรด้วยตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยเขาเลยใช่ไหมใช่เป็นเหมือนเด็กไปเหมืนเด็กทารกเนี่ยก็หลงไปเลยอ่ะไม่รู้ว่าอะไรทั้งนั้นใครบอกให้ทําแล้วก็ทําไม่ทําก็ไม่ทําเขาจะอยู่เฉยเฉยเลยไหมตรงนี้เวลาสร้างอาจจะอยากจะเดินไปไหนก็เดินไปเดินไปไม่ถูกหายบ้านออกจากบ้านนั้นกลับบ้านไม่ถูกนี่ยต้องอาศัยมื่อแบบนี้กันไม่ได้ไม่กระทำตัวเอง แต่จิตเป็นยอย่างๆไปอยู่มันก็ไปอจิตตัวอยากมันพาไปแต่ตัวจํามันจำไม่ได้มันอยู่ที่หแต่กลับบ้านก็จําไม่ได้ใช้สัญญาหายไปไัมไม่รู้สัญญามันไม่หายหรอสัญญามันอยู่กับจิตแต่ายความจําเรื่องต่างๆนี่มันทีต้องใช้สมองเป็นตัวประกอบนะจำสถานที่จําหน้าตาคนอะไรพวก น, นี้มันต้องผ่านสมองก่อนแล้วถึงส่งไปที่ใจที ไอ้ตอนสมองมันหยุดทํางานมันก็เลยไม่ส่งไปที่ใจใจมันไม่หายหรอกนามขันมันไม่หายเวทนาสัญญาสังขารยานไม่หายพอไปเกิดใหม่มันก็เห็นไหมมันก็เป็นมันก็จําได้ทุกอย่างพอมันอาศัยผ่านทางร่างกายํารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้แต่พอสมองมันจําไม่ได้มันไม่ส่งข้อมูลไปให้จิตจิตก็เลยจําไม่ได้เท่านั้นเอง คำถามจะไปจากคุณมู ค, ครับเมื่อเราตายไปแล้วไม่ว่าจิตจะอยู่ในสภาวะสุขหรือทุกข์ขณะนั้นเราสามารถสร้างบุญเพิ่มได้ไหมครับไม่ได้หรอกเป็นเวลาที่ไปรับผลบุญเหมือนเวลาที่เรานอนหลับเวลานอนหลับเราไปทำบุญได้นก็มีแต่ฝันดีฝันลายฝันดีก็สุขก็เป็นสวรรค์ไปฝันลายก็ทุกข์ก็เป็นอบายไปช่วงที่เราไม่มีร่างกายนี่เป็นช่วงที่ไปรับผลบุญผลบาต จะมาทำบุญทำบาปกันได้ทั้งตอนที่มีร่างกายถ้าได้ร่างกายของเดรัจานก็ทำบุญไม่ได้มันก็ไปทำตามตา ม, ตามตามอำนาจของของบาป ท, ที่มันติดตัวไปจนกว่ามันจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์มันถึงจะมีโอกาสที่จะเลือกทำบุญหรือทำบาปได้มันก็อยู่ที่สิ่งแวดล้อมเวลามาเกิดถ้า ม, มาเกิดกับคนที่ชอบทำบาปเา้าก็ชวนไปทำบาปต่อ ถ้ามันเกิดกับคนที่ชอบทำบุญเขาก็ชวนเราไปทาบุญต่อแต่ถ้าจิตของเราชอบทาบุญอยู่แล้วแม้คนจะชวนไปทำบาปก็าอาจจะไม่ไปทำก็ได้ถ้าเราชอบทำบาปอยู่แล้วถ้าคนมาชวนไปทำบุญก็อาจจะไม่ไปก็ได้มันอยู่ที่ว่านิสัยของเราหนักไปทางไหนแรงหรือไม่แรงถ้านิสัยไม่แรงใครชวนไปไหนก็ไปก็เสียงว่าน้ำก็ช่วยได้ ช่วยไปในทางดีก็ได้ช่วยไปในทางไม่ดีก็ได้แต่ถ้าเป็นคนที่หนักไปทางใดทางหนึ่งสิ่งนั้นน้องบางทีก็เปลี่ยนไม่ได้อยราะพระพุทธเจ้านี่อยากไปทางทำบุญพ่ออยากให้เป็นจักรพรรดิท่านก็ไม่เป็นทำไปบวชมันมีแสดงว่าจิตของท่านนี่หนักไปในทางทางบุญนะแตถ้าบางคนที่จิตอยากไปทางบาป แ, แม่พ่อแม่จะให้ไปบวชก็เสร็ แล้วก็บวชอยู่ไม่ได้บวชก็อยู่ได้ชั่วคราวแบบบวชเพื่อทดแทนเมงคุณแล้วพอถึงเวลาก็เสร็จไปทำบาตรต่อเพราะจะจิตบนข้าบทำบาตรเนยมันหนักไปในทางทาบ่อนใ้บุญกับบาตรที่เราทำนี่มันจะเป็นตัวที่จะเป็นนิสัยของเราต่อไป่ถ้าไม่มี ไม่มีร่างกายนี่รับผลบุญได้ใช่ไหมคะก็น่าเสียเวลาไม่มีร่างกายมันมารับรับผลก็รับฝันดีไงฝันดีมันก็เป็นสวรรค์ไงมีความสุขไงถ้าฝันร้ายก็เป็นอบายเป็นเปรตเป็นปนรกไปฝันก็มีคนมาตามฆ่าเรามีคนมากลั่นแกแล้งเรามีคนมาจับเราไปขังคุกทําให้เราอดข้าวอดอะไรต่างๆ ม, มันก็ฝันไปแล้วมันก็เป็นจริงอย่างที่ มันก็ว่าความรู้สึกก็เหมือนเป็นของจริงเลยเนยเวลาฝันเนี่ยเวลาทุกข์ก็ทุกข์จริงๆเลยเวลาฝันเนี่ยเวลาสุขก็สุขจริงๆแล้วเราไปเปลี่ยนแปลมันได้ไม่ได้ช่วงนั้นมันก็ต้องปล่อยมันไปตามกระแสของบุญหรือบาปที่มันทําให้เราฝันดีหรือฝันร้ายจนกว่าเราจะมาตื่นมาได้ร่างกายเหมนก็ตื่นขึ้นมาใหมตอนนั้นเราก็เริ่มควบคุมการกระทําของใจเราได้แล้วถ้าเรารู้จักควบคุม บางคนก็ควบคุมไม่ได้กระแสะความทาบาปก็ยังชวนไปทาบาป ก, ก็ไปทำต่อเนมือคนที่ชอบทากระแสะของบุญก็จะดึงให้ไปทำบุญต่อแต่ถ้าเรารู้ว่าเรากาลังไปในทาบาปแล้วไม่ดีเราก็สามารถชวนมันได้เหมือนเรือที่มันวิ่งไปทางหนึ่งเราเห็นว่ามันทางนั้นไม่ดีแล้วก็คัดหางเสือให้มันไปอีกทาง แต่เวลาฆ่าถังเสียก็ต้องใช้แรงเลยถ้าแรงกำลังไม่พอก็คัดไม่ได้อาจารย์้พูดถึงพวกที่เป็นอัลไซเมอร์่ะซึ่งมันเป็นโรคที่เรียกว่ารักษาไม่หายนะอย่างนี้แสดงว่าเขาอาจจะต้องมีวิบากกรรมอะไรที่เขาทำไว้ก็เกิดนี่เกิดมาแล้วก็ต้องเจ็บเจ็บแล้วก็ต้องไปยนี่อ๋อสมองของใจและคนมันก็อาจจะ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 การกินการอยู่ของเราขึ้นอยู่กับสิ่งแรกก็อากาศที่เราหายใจน้ําที่เราดื่มเข้าไปเพราะเรืองนี้มันก็มีผลที่จะไปทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บที่มันต่างกันไปแต่ค่าสรุปง่ายๆว่าเกิดแล้วก็ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายก็จบไม่ต้องไปวิเคราะห์ให้เหนื่อยพี่ยัยไหมนี่มันจะเจ็บแบบไหนตายแบบไหนมันมันมันหลากหลายเพราะมันมีเหตุปัจจัยที่ทําให้เจ็บให้ตาย หลากหลายต่างกันไปบา <Okay. S 1> งคนยังไม่ทันแก่เลยก็รถชนตายแล้วรถพลิกคว้างตายก็มีบางคนก็ไปเสพยาตายก็มีบางคนก็ไปที่ท้องแล้วถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงตายก็มีนั่นมีวิธีตายหลากหลายด้วยกั น, นก็อยู่ที่พฤติกรรมของแต่ละคน <c oughs> แต่ต้นเหตุที่แท้ที่นั้นคือตัญหาคือการมาเกิดเนี่ยแล้วต้นเหตุของการมาเกิดก็คือความอยากต่างกัน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 ถึงเวลามันก็จะมานะมาเชิญเราไปที่ถึงเวลาไปแล้วไปรักษาได้แล้วนะมีไหมครับีครับคาถามต่อไปจากคุณรับสัตว์ครับไป ป, ไปปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกว่ามีความอยากมากขึ้นและรู้สึกว่าคนอื่นสามารถได้ยินความคิดนะเราคิดมากๆเลยทำยังไงดีครับ ก็เป็นความรู้สึกของไรเราไปทางพวกนี้ได้ยิ่งทางคิดเราด้วยใช่ไหมบางทีเราก็คิดไปเองแล้วความอยากที่มันมากก็เพราะว่ามันไม่ได้ทําตามความอยากมันก็ยิ่งอยากอย่างใช่ไหมมันไม่ได้เป็นเพราไปปฏิบัติธรรมแล้วถ้าเกิดความอยากมากขึ้นแต่เพราะว่าเราก่อกำลังสู้กับมันยิ่งสู้กับมันมันก็ยิ่งดันนะเราแรงขึ้นมาเนี่ยแต่ขนาดไม่ปฏิบัติทํามันก็ยังมีอยู่มันก็ไม่ได้ตายมันก็มาเหมือนกเดิมเลย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 เวลาฟัน ก, ก็เห็นเป็นรูปทั้งนั้นไม่ใช่เห็นไหมเราเห็นเป็นรูปโดยที่ไม่มีตาใช่มเราเลิเราหลับตาใ<ม>เวลาเรานอนฝันเราลืมตาะ่ะแต่เรายังเห็นรูปเสียงกลนนิ่นรถอ่ะเราเรีรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์เลยวิญญาณนี่ก็เป็นรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์เราเห็นผู้ที่ตายไปแล้วได้ด้วยการสัมผัสทางรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ของเรา คำถามต่อไปจากคุณสุวรรณาครับเริ่มนั่งสมาธิจะนึกเริ่มนั่งสมาธิจะนึกพุโทโธเรื่อยๆแล้วคําว่าพุโทโธจะค่อยหายไปลมหายใจจะชัด ก, กว่าแบบนี้ลูกต้องมีสติกับคําว่าพุโทโธตลอดใช่ไหมเจ้าคะควรยาวยอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าจะพุโทโธพุโทโธไปถ้าจะดูลมก็ดูลมงไปยาวทั้งสองอย่างอาอย่างใดอย่างหนึ่งดีกว่าถ้าพุโทโธก็พุโทโธไปเลยไม่ต้องดูลม ถ้าดูรก็ไม่ต้องพูดโธมันจะได้มันมาสงสัยว่ายาวตัวไหนดีเอาตัวเดียวให้อยู่กับลมก็ลมไปตลอดเวลาอย่าให้มันหายไปมันหายให้มันหายไปเองไม่ใช่เราหายจากมันให้มันหายจากเราถ้าพูดโธก็เหมือนกันให้มันอยู่กับพูดโธไปแเราอย่าไปหายจากพูดโธให้พูดโธให้ถ้ายจิตมันสงบแล้วพูดโธมันจะหายไปเอง ตรงนี้ผมคิดว่าเขาไดาจะพุทโธหายแล้วเขารู้สึกถึงอาณาถึงถึงการหายใจหรือเปล่าก็อย่าไปคาดเลยเรามันก็ไม่รู้ว่าเขาทำยังไงคําถามต่อไปจากคุณนาโนกายคต า, าสติวางจิตอย่างไรครับกายยกตากายยักตากายยกตาสด็จแค่ดูที่กายดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ว่ากําลังทําอะไรให้จิตจดจ่อเฝ้าดูการเคลื่อนไหวไม่ให้จิตไปคิดเรื่องอื่น เาหมาก็คือต้องการหยุดความคิดให้รู้เฉยๆให้รู้ว่าร่างกายตัวนี้กําลังทําอะไรอยู่นีกาลังหวีผมกําลังแปลงฟันกําลังล้างหน้าก็าให้ดูมันไปอย่าให้ไปไม่ใช่แปลงฟันไปก็คิดว่าเดี๋ยวจะไปกินอะไรต่อให้อยู่กับการแปลงฟันอย่างเดียวเอย่อยู่กับตารล้างหน้าอย่างเดียวหวีผมอย่างเดียวนี่เรืกายกตาสิให้ ให้จิตเฝ้าจดจ่อดูการเคลื่อนไหวของร่างกายจะได้อยู่ความคิดต่างๆได้และเวลานั่งก็ให้ดูลงหายใจต่อแล้วมันก็จะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วมันก็จะสงบได้หมดแล้วอย่างน้สักคำถามละครละมีมี อ, อ, อีกสองคำถามนะครับจากคุณหลิงเวลานั่งสมาธิชอบยึดกายยึดเวทนา แล้วเราสอนจิตให้ละกายละเวทนาแล้วยึดมากก็จุดไฟเผาจนไม่ยึดแล้วก็เกิดอาการดิ่งอย่างนี้ถูกต้องไหมครับดิ่งยังไงก็ไม่รู้ถ้าดิ่งก็สงบเน่งสังแต่ว่ารู้ก็ถูกต้องคำถามคือชาจากคุณสุขุงนะครับหนูมีข้อสงสัยว่าตอนเรียนต้องเรียนถึงระดับปริญญาตรี แล้วการปฏิบัติต้องมีขั้นหรือเปล่าหรือว่านั่งไปได้เรื่อยพุบโธเท่านั้นครับก็มีขั้นขั้นตอนก็ฝึกสติเมื่อเสร็จมีสติแล้วก็นั่งให้มันจิตรวมให้มันสงบเป็นสมาธิเป็นอุนเบกขาแล้วพอออกจากสมาธิมาก็ขั้นปัญญาสอนใจให้หยุดความอยากต่างๆเพราะความอยากมันจะมาทำงานความสงบความเป็นอุนเบกขาของจิตที่ได้จากสมาธิว่าทำเป็นขั้นๆไปเหมือนกัน หมดแล้ใช่ไหมแค่นี้ก่อนนะแบบดแรงนะเราคิดว่ <c oughs> าพอสมควรใจ้เวลาไ ว, ว, ว้ท่านจงงามมาเสียงที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปที่นิสิตเจนาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปสาธุ ตอนนี้กายกายกับจิตแยกกันไม่ได้จะปวดมากจ้าค่ะมาเล่นกันนะมาเล่นกันเนะเป็นเพื่อนกันแดงค่ะ เ, เพื่อนเรียนหนังสืออะไรเพื่อนเรียนหนังสือไม่ติดดนมีเครื่องติดสันนา ร, ร, รีสาธานกันอย่างนี้แหละก็อย่าไปทุบกับมันนะค่ะ พยายามอยู่นี่คัะให้รู้เฉยๆอาจารย์ได้กำ <heaven> ล <entender it> ังใจเยอะเลยคิดว่ามันเป็นั่มันเป็นคนไข้เราเป็นหมอแล้วก็รักษามันไปดูแลมันไปแต่เราก็าเจ็บแทนมันปล่อยมันเจ็บของมันไปหมอไม่เจ็บด้วย